ปริญญาทั้งหลายแล้วเนี่ยไม่ใช่ยาตราปริญากํานดตู้รวจการู้ประหารคนบาเยปริญญาไม่ใกล้ว่าอืมว่าตัวการประหารเจดีย์ทั้งหลายทั้งปวงมันปริญญาคืออาชีพเหมือนเปรียบไปนหนึ่งอะคนเรียนกฎหมายเนี่ยเนี่ยเรียนกฎหมายมีความรู้ในกฎหมายให้สูงให้มีความเจริญกระลาดคนนั้น ถ้าหากว่ามีความเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ว่าจะเรียนกฎหมายมาให้เพิ่มเติมกฎหมายให้สมบูรณ์มาเพื่อจะดีกฎหมายมันมีช่องโผล่ตรงไหนก็เอาที่สาบโผลไปตรงนั้นนะก็จะแก้อย่างงั้นอืมเรียนเพื่อจะทําลายกฎหมายอืมไม่ใช่ทําให้กฎหมายให้สมบูรณ์อืมอันนี้ก็เรียกว่ามันอืไม่มีคุณธรรมเรียนไปยังงั้นก็เรียกว่ามัน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 ที่เรามีปัญญาฟังแหลวมันไม่คิดไม่ถกูกหรอกถ้ามันไม่ถกูกเราก็เก็บไว้เพื่อปจเจนาส่วนจะละมันออกไปเชียถ้ามันถกูกนะเราก็นำไปประปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญให้ความสมบูรณ์เกิดคุณินนสุะองเจ้าของมันก็เกิดประโยชน์ทั้งนั้นอันนี้โดยมากมันก็นื่ว่ามาบวชกัน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 มาบวชตัจงมาศึกษาการบวชเนาะหน้าที่ของอุบาสกหน้าที่ของสามเณรหน้าที่ของพระให้รู้พอสมควรจึงจะไม่นากกหนักใจกับอุปัชฌาย์อาจารย์ยังไงบานทีนี่จึงบวชกันมีหตุผลพอสมควรยังไงบางทีมันก็ยังคุมไม่ไหวใช่ไวมไอคนไม่รู้มันก็ไม่อะไรเนอะอย่างคนซื่อตามบ้านเราเนี่ย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 เป็นวัดกระโถนไว้นี้มันตั้งอยู่นี้อีกสองนาทีก็แล้วให้ท่านยกกระโถนใบนี้มาตั้งไว่นี้เมื่อตั้งลงแล้วอีกสองนาทีให้ทำยกกระโถนใบนี้มาตั้งไว้นี้เมื่อตั้งนี้แล้วอีกสองนาทีมาให้ท่านยกกระโถนใบนี้มาตั้งที่นี้เท่านี้น่ะเออไม่ต้องถามหาเหตุผลมาเลยไม่ต้องถามหาเหตุผลมาเลยอันนี้มันจะนันนี้มันเป็นเหตุผลอยู่แล้วเนี่ย แต่เมื่อทำครั้งแรกกะใจของคนเราก็เลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอืยกกระโจนไปนี้มาตั้งที่นี้ยกที่นี้ไปตั้งที่นี้ข้วนี้มันจะมีเหตุผลอะไรตรงนี้แหละตรงที่จะให้เหตุผลเกิดขึ้นมาให้เรารู้จะพอดตใจของเราอืแล้วเราเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลก็เพราะเราเข้าใจไม่ถึงอืม เราเข้าใจเหมือนถึงเช่นว่าบุรุษบุรุษสีไฟ ม, มีมีไม้ไผ่สองซี่แล้ต่อไอ้ความเป็นจริงน่ะธาตุไฟมันมีอยู่ในไม้ไผ่นั่นบุรุษนั้นเอาไม้ไผ่นั่นมาสีไฟเขาจนกลัวให้มันอุ่นขึ้นให้มันร้อนขึ้น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 เพศผลนี้ยสักนิดหนึ่งอืมจะบวชสามเดือนก็ต้องมาปรึกษากันอือสมควรว่าบวชอะไรเพื่ออะไรบวชวั น, นี่มันไม่ได้อะไรนะออมัน ไ, ได้อะไร ไ, ไอคนที่โง่มันก็ไม่อยากจะทิ้งของชั่วจะชอบปิดของชั่วไว้ในใจเราเนี่ยอไอทัศนมาช่วยเปิดออกช่วยเปิดเห็นความชั่วเปิดเห็นความผิดอือเนี่ยเนี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 การทานข้าวของท่านไม่หยุดนี่เองมันจะพบความอี่เดี๋ยวมันจะพบความหายหูวของท่านขอให้จะท่านอืมทานอาหารนี่เรื่อยๆไปสั้นนั้นพอแล้วอแล้วต้องถามมาเมื่อไรครบจะอิ่มันืสดไรครจะหายอยู่อันนั้นไม่มีปัญหาเนี้ยอืทำไมไม่มีไม่มีปัญหาการกระทำเช่นนี้ยการบริโภคนี้นะอืมนะ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 นี่เรียวว่าอยากได้ความเบานันก็สงบอยากได้ความสงบเนี่ยไอคนเราเดี๋ยวนี้มันไงเงี้มันอยากได้มันเอามาแบกไว้ก็เอามาแบกไว้แต่มันอยากใด้เบาไม่อยากจะให้มันหนักแต่อยากจะแบกอยู่นี่มันเป็นปนัญหาอง่างนาพุทธเจ้าตอนนีน้ปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่อมันให้แบกไว้เนี่ยก็เพื่อให้วา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 อือาการโศกทุกข์อะไรแถวนี้แล้วก็ไปวิ่งกันมั้ส่วนโรกีมีสายมันก็อยู่งั้นได้ด้วยนะอันนี้มันมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่เกิดมันมีอยู่แล้วให้เราศึกษาอย่งนีนะ้ไม่ว่า ม, มันจะมีอยู่ที่นี่ตัช่างมันมันจะอยู่ที่อื่นกัวช่างมัน อ, อมมนือย่างความสงบเนี่ยอย่างความสงบเนี่ยอยู่ในป่านี้นะมันไมกลายอยู่เว์ตากงจากเรามาบมําเพ็ญธรรมเนี่ย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 ตาหูจมูกฟินกายิตจะอูเสมอมไม่ใช่ว่าเราหนีมาเพื่อความโง่เราหนีมาเพื่อความฉลาดไม่ใช่เราหนีโลกมาอันนี้เรามาศึกษากโลกให้รู้แจ้งเพื่อเป็นโลกริตูต่างหากะืะไม่ใช่ว่าธรรมะเราชอบอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะที่ถูกต้องแล้วถ้าไม่ชอบอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมะที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่อย่างนั้น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 ออันนี้มันเป็นของไม่เน่หมือนกันแต่คว า, ท ม, ามทุกขมันแตกต่างกันเท่านั้นใช่ทุกแตกต่างกันเช่นว่าเช่น <c oughs> ว่าไอ้ไอ้ก้อนนี้มันเป็นก้อนหินธรรมดานะขนาดโยมก็แบกเต็มแรงของโยมเล <c oughs> ยนะโอ้หนักถ้าจะมาเออแบบนี้ไปส่งที่นวัดเนี่ยโอยผมเอาไปไม่ไหวเลยน ะ, <c oughs> นะถ้าว่าเป็นก้อนเพชรขนาดนี้โยมแบกออกจากวัดเอาไปเถอะอ นะอันนั้นก็ทุกพอทุกควรเลยแต่ว่าโยมชอบใจนะโยมจะอุตส่าห์แบกเลยให้แบกได้ก็แบกแล้วเสียก่อนเพียก่อนนี้แม่โยมจะจองกับคนเดียวเลยนะแบกไปจนกว่ามันหลังจะหักจะพังก็จะแบกทุกไหมทุกแต่ว่ามันพอใจที่จะต้องทํำนี่ถ้าอะไรอะไรเลยเราไม่ชอบเราไม่ถึงขนาดนั้นครับแม่สักห้าหกกิโลนี่โยมก็ไม่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 อุปทานมั่นหมายมันอือือจะเขาชอบใจก็อยากได้มากๆเขาไม่ชอบใจนิดน้อยก็อ้าวฮะยาวไปผมมากเลยทำไมนะเมันก็เป็นอย่างน้อเรื่องของธรรมดาที่ธรรมชาติของมันก็เป็นฉะนั้นเราจะมาพิจนารณาอย่างนี้คือว่ามันปลุกจิตใจของเราให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนจากสภาพอันนั้น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 จองกนนึกว่าอืมเขาจะพูดเพราะนีะ่นะตั้งแต่ชวนบ้านหลังนี้รื้อเถอะทำไมมันไม่ใช่ของเราคือมาทริงโยมก็จะเชิญเ น, น, นี่ยจนกว่าไอ้ไอคนคนนีน้จะให้เหตุผลในโยมรื้อบ้านหลังนีนนน้จะหาคนอย่างไรมามาพูดในโยมเข้าใจจนมีศรัทธารือบ้านหลังนี้อไดอม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 มืนรรมะทานจะเป็นของซึ่งต้องใช้ปัญญาปัญญานน้ปัญญานี้บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีมันสาเหตุมาจา ก, กาปัจจัยปัจจัยมันน้อยเหตุมันน้อยในปัจจุบันในออดีตที่เป็นมาแล้วมีบาทมันถือว่าทิ้งเหยื่อเป็นกรรมเป็นกิเลสในประเุบันบิบา ที่เราสร้างสมอบรมไวในอจิตการบางในปัจจุบันมีบางมันน้อยคือเราไม่ค่อยๆได้ศึกษามันเช mm hmm. ่นว่าถ้งในพิจานาเรื่องกรรมาฐานนี่ครับกรรมาฐานเกสาโลมานะคาตันตาส า, าจงนั่งตนไม่เห็นง่ายเพราะเราไม่ศึกษามันบ่อยเรามีความรู้สึกมึดคิดอยู่บ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจรมาเรื่องเป็นอนิจจแล้วก็พูดถึงอนิจจ์แต่ความจริงน่ะ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 มันหามใกลกันมันมันมันเป็นเพราะอันนี้อันนี้เทเนวีบาตวิปากาธรรมาการสมาคมมีส่วนาการครบค้าสมาคมมีส่วนมีมีส่วนที่จะหลงมีส่วนที่จะโลมีส่วนจะให้เหตุผลเราด้วยไปเช่วนว่าเราคิดดิงก็ได้ นะเรื่องสมาคมทางนอกเราทำให้กลมเกรียวสามะคีกันถ้ามันกลมเกรียวสามะคีกันพี่พีน้องๆในชนบทนั้นนั้กน็นจะเจริญขึ้นนี่ส่วนห น, น, นึ่งยืนเดินนั่งนอนปราศจากควาทุกบดินนะ้าไฟลมนะมีสมรรถภาพสามะคีพอดีซึ่งกันและกันแลยก็ําให้ร่างกายของเราคล่องอยู่สบาย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 ตั้งอยู่แล้วสุขมันก็หายไปมเมื่อสุกหายไปแล้วทุกก็เกิดขึ้นมาโยมก็จะไม่เป็นตัวของตัวเรยตลอดเวลาโยมจะตกนรกอยู่บ้างไปสวรรค์อยู่บ้าง อ, อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่จบเลยเมื่ อ, อไรมันจะจบ ม, มันจบที่โยมมีความรู้ฉลาดมีปัญญาส้นไปกว่านั้นอีกว่าสุข เือดทุกอันนี้นะอันนี้แหละเป็นโลกอันนี้มันเป็นอารมณ์ถ้าเรารู้ว่ามันเมื่ อ, อไรวาไอ้ไอ้สุกนี้มันก็ไม่แน่นอนทุกนี้มันก็ไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่คงสอบคงวาถ้าโยกเห็นเจนนี้เล่าเข้าไปยึดมันก็เป็นทุกข์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 จะเห็นนามอีกตรงนั้นเนื้อบุ่มเอาน้ํผ่าเอาหนามมันออกเนี้ยไอ้พ่อความเจ็บปวดเช่นนั้นห้โยมพิจารณาไปถึงปวดจริงมันนี่คือ